ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6สิงหาคม2546มีชื่อเรื่องว่าสมหวังกันทุกคน ห้าหกปีให้หลังรู้สึกว่าฝนอุดมสมบูรณ์มากปีนี้รู้สึกว่าผิดปกติฝนไม่ค่อยตกตกแต่ไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องแต่นาดอนรู้สึกว่าจะลำบากเวลาเราเวลาจะดำนานในช่วงนี้มันเป็นช่วงดำนานเลย เ, ลยเข้าพรนษามาเกือบเดือนนั่น ยังปักดำนายังไม่เสร็จอยู่แต่ปีก่อนๆที่ผ่านมารู้สึกวา่าน้ําท่วมทุ่งท่ว ม, ท, ว ม, ท, ว ม, ท, วมท่าไปหมดแล้วอันนี้น้ําห่วยลางของเราก็ยังไม่ครึ่งฟังน้ํายังไม่ครึ่งฟังในปีนี้แต่ถ้าพืชไร่พืชไร่ก็ไม่ถึงกับเสียหายพวกไร่เขาโพดพวกมันจาปะหลัง พืชไร่พืชสวนยังยังไม่เสียหายแต่ปักดำเรื่องดำนานะีรู้สึกว่ามีปัญหาปีนะี้ฟังฟังดูทางมุกดาหารยังไม่ได้ดำนาเนีนะ่ยเขาให้ข่าวมาบอกยังดำนายังไม่เสร็จอยู่ชาวนาชาวนาเนีนะ่ยม่ได้ดำนานะี่ยใจไม่ดีนะ ใจไม่ดีเหมือนกับข้าราชการถูกพักงานอย่างนั้นแต่นักบวชของเราเนี่ยบิณฑบาตได้ชั้นบ้างชั้นบ้างไม่ได้ชั้นบ้างก็ยังยังพอนั้นอยู่แต่เอาเข้าจริงๆลำบากเหมือนกันนะยังมีนิดในครั้งพระพุทธเจ้า เมนตกะเศรษฐีเศรษฐีในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเป็นเศรษฐีที่ว่าร่ํารวยที่สุดในยุคนั้นเป็นปู่ของนางวิสาขาปู่ของนางวิสาขาแล้วก็พ่อนางวิสาขาอีกแล้วก็นางวิสาขามาแต่งกับลูกเศรษฐีกรุงสวัสถีก็เป็นเศรษฐีต่อกันามามาเปเรื่อยๆ เมนธกศเศรษฐีเนี่ยสมัยหนึ่งฟ้าฝนแรงถึงเจ็ปีเจ็ดเดือนบางันแต่ก่อนที่จะแรงพวกโหนพวกโหนคือสมัยนั้นเขามีหมอโหนหมอดูหมอโหนเขาก็บอกว่าต่อไปภายภาคหน้านี่จะแห้งแรงเจ็ดปีเจ็ดเดือน แต่นี่เศรษฐีท่านก็รู้เถอะนี่ยพอลุกหมอโหนท่านเขไม่ประมาทเตรียมสางข้าวไว้เลยเทอะนี่ทำสางข้าวมีเงินท่านเอาใส่สางข้าวทั้งหมดไปแล้วก็ฝาสางข้าวนผสมกับขี้โคลผสมกับขี้ควายเนี่ยเหมือั้นขยำขยำกับข้าวแล้วกับฉาบฝาผนังฉาบฉาบฉบฉบจาก น, นเอาข้าวเข้าไปคิดว่าเตรียมพร้อมเหมือนนั้นเถอ เตรียมพร้อมที่จะสู้กับความอดอยากแต่ถึงขนาดก็ตามพอมันที่ไหนอดไม่มีข้าวกินเกาหลังไหลมาเศรษฐีก็แบงให้ข้าวให้กินให้ข้าวให้กินข้าวกินข้าวกินข้าวกินเอาไปมาข้าวหมดบ้านเนี้ยเจ็ดปีแล้ะพอหมดแล้วก็กระเทาะฟ้าบ้านเนี้ย ทุบฝาเหมือนงั้นะที่ขยำข้าวกับขี้โคนขี้ดินเน่ทุบทุบทุบฝาเสร็จแล้วรับมาละเลงละลายแลครับมาเป็นเม็ดข้าวแล้วกินกันอีกเหมงั้นแกกพวกน้องผลใ่สุดสู้ไปให้ลูกน้องออกไปมีแต่พ่อแม่ลูกสาวลูกชายคนใช้ในบ้านท่านเองต่อมาก่อน วันหนึ่งเป็นวันสุดท้ายปาะเนี่ยมดโางงานเถอดกระทาะหมดโรงงานเถิดแปลว่าเป็นกรอบสุดท้าย เ, เวลาหุงก็หุงในบ้านป่ะเนี่ยไม่ให้มีกลิ่น ม, มีไอออกมานะานโรงงานเถิะกลัวคนจะมาแย่งกินพอหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วป่ะอาหารก็พร้อมแล้วถินเนี่ยพร้อมที่จะแบ่งกันกินแบ่งสรรปันส่วนกัน ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกวันนั้นพ่อปฎิเจธท่านก็อดเหมือนกันเด้ท่านอยู่ในป่ า, าน้นี่ท่านอยู่ในทรรมจัตตวันนคูหาท่านก็ออกจากในรดสมาบัติมาใครเราะจะใส่บาตรให้กินน้วันนี้ท่านก็มองดูเหมือนกันเหมืกันท่านมองดูไปเห็นเนี่เศรษฐีเนี่ยกาลังหุงข้าวสุกใหม่ๆนนะ กำลังกม้กมุบก้มับเหมอนกันเกำลังซ่อนมันเพื่อจะแบ่งเงินกินในพ่อแม่ลูกเหมือนกัพระปฏิเจกกบินธบาดเดินมาเหาะมาเลยเห้ืนหอนนเอะเหาะมายืนจึ๊กเลยทางเมตตาเศรษฐีโธ่พระปฏิเจกมาท่านพอมาเอายังไงอาหารมีอยู่หม้อดเดียวที่พวกเราจะแบ่งกันพวกเราใครจะเอาบ้างบอกว่ยเกิดมาทั้งทีไม่ยังไม่ได้ทำบุญกับ พระพุทธเจ้าพระปเจกเลยพวกเราร่วมกันทําบุญหออจากนั้น่อยตั้งจิตอธิษฐานทุกคนเหมือนนั้นเถอะขอให้ยังไงยังไงก็ว่าในจิตอธิษฐานจากนั้นก็พ่อมากันใส่บาดพระปเจกใส่บาดพระประเจกเสร็จเรียบร้อยเมื่อพระปเจกก็ออกพระปเจกก็ให้พร น, นะพอรับพรเสร็จแล้วเอวังโหตุเอวังโหตุ ขอความปรารถนาข อ, ของท่านทั้งหลายจงสําเร็จสมความมุ่งมา่นรปรารถนาทุกประการพอว่าจะนั่นกันกนบพ่อเจิเขเหาะเลยเหาะไปไปของไปชันของท่านพวกนี่เกิดเอาละตายแ ล, ล้วเราบ้านนี้มั้งคือผู้พ่อในปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดจะให้อดทัยอยากขอให้ อาหารการบริโภคเนี่ยเต็มยุ่งเต็มสางาพร้อมเงินคำทรัพย์สมบัติลักษณะอย่างนั้นเนีอยท้งแม่บ้านเขาบอกว่าขอให้มิงข้าวน้ําปัจจัยอย่าให้อดทายากเหมือนอย่างที่เป็นอยู่แล้วก็ขอให้แกจกจ่ายพืชพันธุ์ธัญยาอาหารให้แก่คู่คนแต่ลูกน้องเนี่สิเคยเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องอย่างเก่าลูกน้องที่เป็นคนใช้นะคนใช้ในป่าธานาัยยังไงขอให้อยู่กับเจ้านาย เวลาไถานาที่หนึ่งเนี่ยให้ได้ห้าหกครองมั้งเงี้ยเมื่อก็ได้รถไถอย่างทุกวันนี่แล้วงี้ยทั้งที่ปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นผู้ร่ารวยคิดไกลกว่านั้นก็นไม่ได้มั้งเ้ยก็ขอให้ข้าพเจ้าเป็นลูกน้องที่ดีของเจ้านายเวลาไถานาขอให้ได้ทีละห้าหกครองคือว่าไถานาแต่ละครั้งน่ะมันไถทีละครองละคองเนี่ยเหมือนกับเราไถานาโบราณนั่น กว่าจะไถได้ไหมเหนื่อยแทบล้มแทบตายแต่แกก็เลยคิดไม่ออกอย่างอื่นม่าไงคิดขอให้ได้ไถนาะให้ได้ห้าหกคลองเหมือนกันทีเดียวเหมือนกันเถอะไอ้อปาถนาเป็นคนร่ํำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ไม่เอาดลยทันที่ตั้งความปราถนาได้เหมือนกันเถอะทั้งที่อันนี้สงทานก็มีอยู่ในนั้นนี่เนี่ยแพอคนรับใช้เนี่ยดูดูแล้วไม่ไม่กว้างขวางเลย อันนี้อยากปรารถนาให้ได้ไถนาอยู่เน่ยอยากให้ได้ไถนาได้ห้าหกครองอืออน้วก็ขอให้เป็นลูกน้องของเศรษฐีตลอดไปอย่างั้นเถอะโอ้แสดงว่าจงรักภักดีอย่างมากๆาก่างั้นเถอะท่นี้ก็พอถวายเสร็จพระประเจ ก, ก็ให้พรแทนเนี่ยพระประเจกออกจากนิโรธสมาบัติเดแต่ว่าใครปรารถนาสิ่งไหนก็ได้สมความมุ่งมา่อันนี้สง ม, มหาศาลเลยว่างนั้นเถอะ ปาถนาเป็นพระเจ้าแผ่ดินก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่ดินครับบอกพระปเจกให้พรเอวังโหตุเอวังโห ต, โตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จจะปราถนาได้ทั้งหมดวรางั้นแตอแต่ถ้าปเจกให้พร อ, อย่างนั้นแล้วว่างั้นแต่ทีพอให้พรเสร็จแล้วก็ตายแล้วบัานเนพรามันหิวข้าหิวเข้ า, ขาผู้พ่อบ้านก็เลยบอกว่าตัวเศรษฐีเนเอ้ย ไอ่ข้าวที่มันเข้าตรงเข้าตั้งที่มันติดข้างหม้อไม่มีบัางเนอะเมื่อว่านนี้ไป็นดูหน่อยหิวหนะทางแม่บ้านก่อตั้งที่ตัวเองตักออกจากหม้อข้าวแล้วงั้นเถอะใส่บาดพ่อประเจกแล้วมันหมดแล้วว่งั้นเถอะแต่พอเมื่อพ่อบ้านเขาบอกอย่างงั้นก่อนด้วยความเกรงอกเกรงใจด้วยความหวังดีวงั้นเถอะนอกไอไ้ไม่มีหลักมดแล้วไปถือว่ายังไงก็เดินเข้าไปเอยพอไปเปิดดูเท่านั้นข้าว ที่ท่านปาถนาว่าขอให้ข้าวเต็มหม้อเต็มยุ้งเต็มสางอยาให้ข้าพเจ้าอดอยากพร้อมที่จะแจกทานได้หม้อข้าวเต็มในข้าวหมดเลยงั้นโอ้ข้าวเต็มอยู่ในหม้อหมดแล้วอู้อันนี้สงขงเราทําไมเร็วขนาดนี้วังั้นจากนั้นก็เริ่มมาแจกแจกเสร็จและะ้วกันทีนี้แจกให้คู่คนกินไปดูยุ้งดูสางเต็มอีกลูกชายก็แจกเงินวันั้นแหละลูกสาวลูกชายแจกเงินพ่อ แม่แจกพันุข้าวงั้นเถอผมพากันแจกอาหารอทั้งลูกจ้างที่ผู้หวังดีเนี่ยคนอื่นก็ได้หมดเราจะได้หรือเปล่าก็เลยไปทองตุ๊ดองไถนาดูเงินพอไถนาก็ได้หกคลองจริงๆริงว่างั้นโอ้ไถนาได้หกคองว่างั้นอะโอ้อันนี้สงฆ์ให้ทานกับพระประเจกอันนี้สงสุงสงจริงจริงว่างั้น เนี่ยแต่นั้นเกิดมาพบนั้นชาตินั้นก็เป็นผู้ทําบุญทําทานได้ทำพระประเจกจเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็เป็นเศรษฐีในกรุงราชสักข์เ่ยพราะในกรุงราชคัก์พญาปเสนกับอพญาพิมพิสารเนี่ยเป็นเครือญาติกันถ้าจะว่าไปเลยับพญาพิมพิสารมาแต่งงานกับอน้องสาวของพญาปเส น, นเหมือนกันะ เป็นให้เข้าเป็นน้องเขยเป็นลุงกันพญาพเปรเสียนก็เลยไปแสดงความเคารพบอกเศรษฐีอยบานในเมืองหม่อมชันไม่ค่อยมากเศรษฐีในกรุงราชคือในมากกว่าขอตระกูลเศรษฐีสักตระกูลหนึ่งเธอไปอยู่กรุงสวัสดีพญาพิมพ์พิสารก็โอ้จะย้ า, ายตระกูลเศรษฐีมันไม่ใช่ของ ย, ายง้ายง่ายๆนะเอาอย่า ง, งาไงเดี๋ยวจะประกาศดู ก็เลยประกาศว่าใครอยากจะไปอยู่กรุงสวัสดีบ้างจะอำนวยความสะดวกทุกอย่างตระกูลเศรษฐีตระกูลไหนก็เลยเมนทกะเศรษฐีบอกรับว่าจะไปอยู่กรุงสวัสดีจากนั้นก็เลยพยาปเสนกับพวกพลพรรคทั้งหลายก็เลยนําตระกูลของเศรษฐีมายกขบวนใหญ่แลว้วงั้นมาอันดับแรกพอมา จากนี้ไปกรุงสวัสดีไกลไหมหรอประมาณยี่สกิโลนะงนั้นน่ะเกือบทะยี่กิโลหมอมชันจะตั้งเมืองอยู่ที่นี่เพื่อมาให้มันใกล้เกินไปเพื่อการไปมาหาสู่สะดวกสบายถ้าอยู่ในเมืองมันจะแออัดเกินไปก็งั้นก็เลยตั้งเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองสาเกตตรงนั้นนะตั้งเมืองสาเกตขึ้นมาคือเศรษฐีเมนทะกะเศรษฐีนี่ก็ตั้ง เป็นกลุ่มขึ้นมาอีกเป็นเมืองขึ้นมาอีกเมืองหนึ่งเนีน่ยนะจากนั้นพุทธองค์นางวิสาขาก็เลยแต่งงานก็เป็นพุทธอุปถาพระพุทธเจ้าเนี่ยเศรษฐีอยู่ที่หลังบ้านของท่านมีแต่ลูกแพะลูกช้างลูกแกะลูกม้าเต็มไปหมดล้วนแล้วแต่เป็นทองคำเป็นริมริมอยู่งั้นอันนี้อันนี้สงก่อน ท่านสร้างธรรมมาตขึ้นมาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วสร้างนี่แหละหลังแพ้หลังแพ ะ, ห ล, แพะหลังมา้าหลังบัวหลังช้างแล้วั่นเด็กให้เข้าเป็นบันไดขึ้นไปบนธรรมมาต์อันนี้สง์นั่นแหะพอเกิดมาพบนี้ชาตินี้เกิดมาหลายภพชาติแล้วบันไดขึ้นไปบนธรรมมาต์ของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเกิดมาพบนี้ชาตินี้แปลว่าพวก รูปสัตว์ทั้งหลายทองคาเนี่ยเต็มไปหมดเกิดมาโดยบุญวาสนาบารมีอันนี้คือท่านพูดในตำราในครั้งพระพุทธเจ้าท่านบอกอันนี้สงมีผู้ที่ทาบุญทำทานอันนี้สงมหาศาลที่เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นถ้ามาพูดในยุคนี้สมัยนี้ก็คงจะไม่ค่อยเชื่อกันแต่ว่าในครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่าน เกิดมาล่ํารวยทองคําเกิดมาบนหลังบ้านมีอันนั้นคือเป็นยุคสมัยบุญบา ร, รมีของคนสร้างสมบา ร, รมีเป็นยุคเป็นสมัยอันนี้ก็เหมือนกันนะฟ้าฝนตกนี่มาพิจารณาดูคิดดูแล้วเออในสมัยไหนมันก็มีนะฟ้าแรงฝนแรงสมัยครั้งพระพุทธเจ้าของเราคน พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองเวรันชารานะจำพรรษายุตินั่นก็โอ้โหฟ้าแรงฝนแรงเหมือนกันพระไม่มีอาหารจะกินพระอนอนท์เป็นผู้ตําข้าวห่ฮิโดพระอนอนท์ตาข้าวเลี้ยงพระตําจนละเอียดผ น, นี้กินหอดเก็บคนไปในยุคนั้นมีเลยต่อไปภายภากหน้าทำอะไรองนั้นพวกเราทำยังไง เกิดพบใด้ชาติใดจะให้ได้พบในความอดอยากเนียเพราะนั้นพวกเราควรจะทําบุญทําทานเอาไว้เกิดมาพบใดชาติใดคําว่าอดอยากอย่าให้ได้มีอย่าให้ได้เห็นอย่าให้ได้ยินเหมงอนกันต้องการอะไรสิ่งไหนก็ให้สมความมบูมมาศปรารถนาถึงจะไม่มากก็ให้มีให้อยู่ได้กินอย่าให้อดท้ายากเนี่ยนะเวลาทําบุญทําทานปรารถนาอย่าให้อดท้ายยากอละพรในตอนนี้อนุมูนาให้พร